ความรู้สึกในตัวของเราทุกแง่ทุกมุมที่แสดงออกให้เป็นความรู้สึกย่อข้องกับหลักธรรมหลักวินัยอยู่เสมอ่าได้ลืมตัวพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพน็นเป็นศาสดาของพวกเรา พระธรรมที่ปรากฏให้เราทั้งหลายได้พอมองเห็นน่องเห็นลอยอยู่ทุกวันนี้ก็ดีพระสงฆ์ท่านคือเป็นสารณะได้กราบสนิทอยู่ทุกวันนี้ก็ดีทั้งสามรัษนะ น, นี้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 เราทั้งหลายได้กราบไหว้ด้วโลกได้กราบไหว้ล้วยนี้เกิดขึ้นมาจากการปราบปรามสิ่งปกคุมหรองทั้งหลายออกทำจึงได้ปรากฏเด่นขึ้นมาในพระไถยของพระพุทธเจ้าพื้นคำหนึ่งเสมออย่ามีความชินชาต่อความเป็นอยู่ต่อเพศของตน กิเลสไม่เคยชินชาต่อผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าประเภทใดของกิเลสยึ่งว้นแล้วแต่เป็นสิ่งปกคลุมหุ้มห่ อ, หอจิตใจด้วยความไม่มีชินชาพอจะเบื่อหน่ายกับจิตใจดวงนั้นๆแล้วปล่อยวางทิ้งไว้เสียให้เหลือแต่ใจไม่มีกิเลสเพราะกิเลสเบื่อหน่ายภายในจิตใจของตัดโลกอย่างนี้ไม่มี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 จะมีความเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดไปโดยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะทำความชินชาต่อการประพฤติปฏิบัติต่อเพศของตนไม่ได้ขัดต่อหลักธรรมจึงเป็นเรื่องขัดเกลาหรือชำละกิเลสแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นบรรดาความชินชาทั้งหลาย ที่มีอยู่ในหัวใจของเราพึ่ททำความรู้สึกตัวรอบอวัยวะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวและสิ่งเกี่ยวข้องภายนอกที่เรียกว่าอายุรับอนุนะภายนอกอยู่เสม อ, อยาทำความสินชายาตัมความอิหนาละอาใจต่อการ แก้ไขถอดถอนการชำร ะ, ะสาสางการรามัดระวังตนเพราะซิ่งที่กล่าวมากล่าวมาเ่ามีมันเป็นสมบัติเดิมของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่สมบัติของธรรมที่จะนำไปแก้กิเลสได้เพราะมันเป็นสมบัติของกิเลสอยู่แล้วก็ยิ่งจะเพิ่มพูนความเป็นกิเลสให้แหนาแน่ น, า น, านขึ้นภายในจิตใจ พความเพอแท้อ่อนแอเป็นต้นผู <c> ้ <oughs> ปฏิบัติธรรมจึงต้องตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังตนอยู่เสมอเพราะเวลานี้เราเป็นนักบวชและได้ก้าออกอยู่ทางด้านปฏิบัติซึ่งเท่ากับเข้าสู่สงครามแล้วอันค่าศึกนั้นไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละแต่เวลายังไม่ได ต่างจิตต่างใจที่จะชำระแก้ไขหรือปราบปรามซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนกับเราไม่ได้ลบสงครามขนะที่เราไม่ได้ลบสงครามนั้นสงครามมีความสงบภายในใจของเราหรือไม่นี่เราก็ไม่ได้คิดยิ่งขณะที่เราไม่ได้มีการต่อสู้มีการระมัดระวัง มีการแก้ไขถอดถอนกับฆ่าศึกศัตรูได้แจกิเลตประเภทต่างๆด้วยแล้วนั่นและเป็นเวลาที่กิเลตทั้งหลายเรื่องอำนาจเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะแสดงออกทางด้านจิตใจและส่งออกตาม <c oughs> อายตะนัภายในสวยตระนัภายนอกนับแต่ตาออกไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส น, นวนแล้วแต่เป็น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 สงครามมันกำเริบ ม, มากคืบครานเข้ามาเงียบย่ำเข้ามาผลที่เราเจอก็มีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจดีไม่ดีร่างกายก็ชอกช้ำไปด้วยเมื่อมันมากต่อมากขึ้นกระเทือนถึงส่วนร่างกายด้วยเช่นอย่างคนคิดมากๆเสียใจมากๆร่างกายย่อมสูผ้ผอมดีไม่ดีเป็นบ้าไปเลยก็มีโรคประสาทนี่ยินไม่ได้นอนไม่หลัเนี่ยคือสง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 ที่ดำเนินมาทั้งมวลปฏิปทาที่ท่านดำเนินมานั้นวิธีการที่ท่านปฏิบัตินั้นเป็นปฏิปทาและวิธีการปราบปรามที่เลือดให้เลือดราบไปหมดทั้งนั้นจงนําวิธีการนุปปฎิปทาของท่านมาดําเนินให้เขาใกล้ชิดสนิทติดแน่กลับใจของเราอย่าได้ปล่อยวางนี่แหละคือเป็นผู้ถือศาสตราวุธรด้วยความตั้งอกตั้งใจ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 แม้จะมีความรู้ก็ไม่เต็มภูมิเหมือนอย่างนักโทษในเรือนจาไม่ใช่จะมีแต่คนงูเขลาเบาปัญญาไถ่เดียวคนเฉลียวฉล า, าดป่าเปลืองมีอยู่เยอะในเรือนจานั้นนักโทษเป็นรายๆที่มีความรู้ความฉล า, าดมีอยู่มากแต่ความรู้ความฉล า, าดเหล่านั้นก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้ เพราะมีสิ่งกดขี่บังคับให้ทำไม่ได้อยู่นั่นแหละมีจิตใจแม้จะรู้ขนาดไหนก็ต่างก็ถูกสิ่งกดขี่บังคับบีบไว้ความรู้จึงแสดงออกได้ในแง่ของสิ่งนั้นบ่งการคือสิ่งที่มีอำนาจนั้นบ่งการเท่านั้นสิ่งใดที่ผู้มีอำนาจหรือกิเลสประเภทต่างๆไม่บ่งการแล้วก็รู้ไม่ได้ ถูกปิดถูกกำบังไว้หมดเหมือนดวงไฟจะมีอยู่ก็ต า, ามเมื่อแก้วครอบมันดำไปหมดแล้วมองหาดวงไฟก็ไม่เจอ้าส่งแสงสว่างกระจางแจ้งให้เต็มดวงของตนก็ส่งไม่ได้เพราะถูกครอบอยู่ด้วยแก้วครอบอันดาทั้งหลายจิตใจก็ถูกครอบอยู่ด้วยกิเลสตัวดำตัวมืดดำกาตาทั้งหลาย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 สูงต่าขนาดไหนก็อยู่ในความปิดบังอยู่ในการบีบบังคับของความมืดอันนั้นอยู่จนได้ไม่มีความรู้ใดที่จะเหนือจากสิ่งมืดดำเหล่านี้สอดแทรกออกไปกระจายตัวออกไปให้เป็นแสงสว่างกระจากแจ้งย้อนมองกลับขึนมาเห็นความมืดดําของสิ่งที่ครอบงาจิตใจนี้มันเป็นไปไม่ได้นี่แหละ ทำว่าความรู้อยู่ในวัตตจักความรู้ของสามัญชนก็คือความรู้เทียบกันได้กับความรู้ของนักโทษในเรือนจำนั่นแหละไม่มีอะไรจะแยบคายิ่งกว่านความรู้ที่เป็นอยู่เพราะอำนาจของที่เหลื บ, บีบบังคับหรือครอบงำไว้เมื่อยากจะทราบให้ดำเนินตามหลักทำอันเป็นเครื่องทำลายสิ่งมืดดำทั้งหลายนี้ ไปโดยลําดับลําดาเราจะทราบได้ภายใ น, นยตูวของเราเองเอาเบื้องต้นรู้สร้างออกไปไหนก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความสร้างความฟุ้งสร้างข้าอํานาจของกิเลสถุดลากไปรู้ไปเรื่องไหนเป็นแต่เรื่องของกิเลส จ, จับจองไว้หมดกิเลสบงการไปหมดทีนี้บางคาบปิดไม่ให้ออกรู้แบบนั้นนั่น ให้รู้แบบทำที่ท่านสอนเรื่องบทภาวนาจะบริกรรมภาวนาก่ตามจะ ก, กาหนดทำบทใดก็ตามให้รู้อยู่จุดเดียวอย่าไปรู้ในสิ่งทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมผัน์มาแล้วเหล่านั้นนั่นเป็นความรู้ที่ออกจากการบงการหรือบีบบังคับของจิตเดชให้รู้ให้สัมผัสสัมผัส ผลจึงเป็นเรื่องของความทุกข์อันเป็นผลประโยชน์ของกิเลสโดยถ่ายเดียวหาผลแห่งธรรมปรากฏให้เป็นความสงบเย็นใจบ้างไม่มีเลยทำจึงยอกย้อนจึงสวนทางกันกับความรู้ของกิเลสในขั้นต้นให้รู้เข้ามาภายในใจนี้ก่อนไม่ให้รู้กับสิ่งทั้งหลายต่อไปแล้วเฉพาะอย่างยิ่งอให้บริกรรมภาวนาท่านที่ท่านเรียกว่าสมถะ ภ, ภาวนา ทำบทใ ด, ดที่จะเป็นเครื่องกำกับที่เป็นเครื่องยึดของจิตให้จิตเข้าสู่จุดเดียวมีอารมณ์อันเดียวกับทมบทนั้นให้บังคับจิตอยู่กับทำ ก, ก, กับอารมณ์แห่งทำบทนั้นนั้นให้รู้อยู่โดยเฉพาะเมื่อสติบังคับจิตไม่สายแสเอาไปสู่ความรู้ที่เคยเป็นมา ของตนให้รู้อยู่ในจุดที่ทําแสดงบอกนี้เท่านั้นก็จะเกิดความสงบขึ้นมาความเย็นใจขึ้นมาความสว่างขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสเป็นความสว่างเป็นความผ่องใสขึ้นภายในตัวของของตนมองเห็นได้โดยลำดับและมองเห็นหน้าอย่างชาัดเจนนี่ท่านสอนให้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 ละเอียดแนบแน่นความสว่างภายในตัวเองก็สว่างกระจ่างแจ่งขึ้นมาละเอียดละออกขึ้นมาท่านสอนปัญญาในอันดับต่อไปตั้งแต่ขั้นสมาธิทีแรกก็ให้มีปัญญาแฝงกันไปตามขั้นแห่งสมาธิตามขั้นของปัญญาเนี่ย ว, วิปัสสนาพิจานาแยกแยะ สิ่งที่เคยสำคัญมั่นหมายอันเป็นเรื่องปิดบังความปินไว้ทั้งหมดให้รู้เล็กรู้น้อยรู้แคบรู้กว้างรู้ลึกลึกเข้าไปโดยลำดับคือว่ากระแสของธรรมกระจายความมืดคือเมฆได้แก่ที่เลวทั้งหลายซึ่งปิดกำบงังปิดใจไว้ให้กระจายตัวออกไปให้จางออกไป จิตใจสามารถทราบสิ่งทั้งหลายได้ด้วยปัญญาธรรมทนี้ความรู้ที่เคยอยู่ใต้อำนาจของกิเลสก็ค่อยขยายตัวออกไปได้ด้วยธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมด้วยธรรมเป็นเครื่องกำจัดความมืดทั้งหลายออกความรู้ก็กระจายออกไปหาแยกถ่าแยกขัน แยกอริยจัณภายในของตนแล้วแยกสภาวธรรมที่เป็นส่วนภายนอกเทียบเทียงกันท่าได้ทุกสัตว์ทุกส่วนรวมลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญายิ่งแตกกระจายออกไปตามนแขนงต่างๆแห่งสภาวธรรมซึ่งมีไม่มีสิ้นสุดรติปัญญาก็ไม่มีสิ้นสุดที่จะทราบตามเรื่องแห่งความจินทั้งหลายเหล่านั้นนี่แหละความรู้เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปอย่างนี้ ภายในก็เย็นภายในก็สบายขณะเดียวกันภายในที่เคยกดเคยทวงก็ถูกถอดถูกถอนออกด้วยปัญญาไปในขณะเดียวกันกับความสว่างกระจ่างแจ้งที่เห็นได้ด้วยการพิจารณานั้นๆนจิตหรือ ค, ความรู้นี้ก็เบิกกว้างออกไปและเหยียดเข้าไปโดยลำดับสิ่งไม่เคยรู้ก็รู้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 ทั้งส่วนหยาบที่มีอยู่ก็เห็นตามความเป็นจริงทั้งส่วนกลางส่วนละเอียดอันใดมีอยู่อย่างไรก็เห็นตามความจริงสิ่งที่เคยสําคัญมั่นหมายว่าเป็นดังนั้นอย่าง น, น, างนี้อันเป็นเรื่องจงอําปอมก็ถอดถอนความสําคัญมั่นหมายออกมาเพราะความรู้จริงเห็นจริงเปิดออกได้โดยลำดับนี่คือว่าจริงไม่เคยรู้ก็รู้ <c oughs> ส่วนหยาบก็เหมือนกันส่วนกลางส่วนละเอียดที่ไม่เคยรู้ ทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ก็ทําให้รู้รู้ไปโดยลำํำดับจนถึงขั้นละเอียดสิ่งที่ปกคุมมีหลายมีหลายขั้นหรือมีหลายชั้นเช่นความสําคัญความติดในวัตถุห ย, บยาบๆเช่นรูปกายนี่ก็เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุหยาบเป็นจิเลศประเภทหยาบปกคุมจิตใจ เมื่อเปิดสิ่งทั้งนทั้งหลายเหล่านี้ออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาและสิ่งที่ปิดบังในท่าำกลางก็คือขันสีกเนกเวทนาธัญาสังขารวิญญาณเรื่องเป็นสิ่งปิดบังแต่และอย่างละอย่า ง, งนั้นต่างกันแต่ความหยาละเอียดแห่งสิ่งปิดบังนั้นๆัปัญญาก็ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมา ซึ่งเป็นคู่ควรกับสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ย่อมทราบสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ตามเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนใหญ่เนื้อปล่อยวางสลัดตัดทิ้งออกจากตัวของตัวได้แียใจที่เรียกว่าถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจิต ย, ยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งออกไปโดยลำดับเพราะ สิ่งที่ปิดบังหนึ่งชั้นได้แก่วัตถุยากมีรู ป, ปลายเป็นต้นส่วนปานกลางมีพวกเวทนาชัญญยาสังขารยินยานเป็นสำคัญก็เปิดออกด้วยปัญญาขั้นนี้และเปิดเข้าไปส่วนที่ละเอียดสุดปกคลุมห้มหอจิตอย่างละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุด กรรจับกันออกได้โดยสิ้นเชิงอาจะเชื่อแห่งพบแห่งชาติอวิชชาปัตยาสร้างค่าราเป็นวาระสุดท้ายเปิดออกหมดด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เป็นของคู่ควรกันกันกบการปราบที่เลยที่ปกคุมหุ่มหออย่างละเอียดออกหมด ไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นและที่นี่จิตที่เคยรู้มาแต่ก่อนเป็นมาอย่างไรกับจิตนับแต่ขณะที่สิ่งห้มพออันละเอียดไม่ต้องพูดถึงอย่างยาบอย่างกลางอันละเอียดนั้นได้สลายตัวไปหมดแล้ว ความรู้นี้เป็นอย่างไรนี่ะที่เรียกว่าความรู้เป็นอิสระความรู้ไม่มีอะไรปิดบงังความรู้ไม่มีอะไรบีบบังครับความรู้ไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกถาดนี้ได้สลัดปัดทิ้งออกหมดแล้วอยู่เหนือสภาพสมมุติทั้งหลายแล้วเจึิเป็นความรู้ที่เต็มตัวเต็มภูมิของใจของอัดของธรรม ไม่มีอัดไม่มีอั้นไม่มีขอบเขตว่ากว้างว่าแคบว่าลึกตื้นอย่างละเอียดรู้ไปได้หมดทุกแห่งทุกขนไม่ว่าสภาพหยาบกลางละเอียดตลอดทั่วถึงเพราะไม่มีสิ่งใดมากีดกันนี่ความรู้ประเภทนี้แหละเป็นความรู้ประเภทที่อัศจรรย์ถันกล่าวไว้ในธรรมจักรกับปวนาสูตรก็ว่า ญาณญาณังอุดปาดนะไม่เพียงแต่ใจเท่านั้ น, นเมื่อได้เปิดสิ่งทั้งหลายที่ปกคุมมือหมอนี้ออกหมดแล้วนั้นญาณังอุดรปานี้ก็ได้เกิดขึ้นคือเป็นขึ้นพายในใจดวงนั้นแหละวิชาอุดรปานี้ก็ปรากฏขึ้นในใจดวงนั้นอารโลโกอุดปานี้ก็ได้ปรากฏขึ้นเป็นอันเดียวกัน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 แต่ไม่มีสิ่งใดมามาดึงดูดจิตใจนี้มากดขีบังคับจิตใจนี้ไม่มีเชื้อภายานจิตใจที่จะให้ดูดดึงตัดสิ่งทั้งหลายนับแต่ธาตุขันธ์ของตนออกไปสู่สภาวะธรรมภายนอกไม่มีประมาณหมดความดึงดูดเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินสัมผัสสัมพันธ์ก็สักแต่ว่าสัมผัสสัมพันธ์แต่ทนั้นไม่ติดไม่พัน ไม่อัดไม่อั้นไม่ตีบไม่ตันไม่มีอะไรมาบังคับบัญชาเป็นสภาพที่ว่างเปล่าจากสมมติทั้งมวลอยู่ตลอดเวลานั่นคือจิตที่เป็นวิมุตคือจิตที่ทรงความรู้เต็มภูมิของตนในขณะที่ยังครองขันอยู่ก็เห็นได้อย่างชัดๆัดไม่มีอะไรมาปิดมาจีดมากั้นมากัน เป็นความรู้อิสระผิดกับความรู้ดั้งเดิมที่เคยเป็นมาถ้าจะเทียบกับเป็นโลกทั้งสองก็เรียกว่าคนละโลกถ้าไม่เทียบก็เรียกว่าความรู้ของโลกคําวิวัตตะออความรู้ของวัตตะโลกกับความรู้ของวิวัตตะธรรมเทียบกันได้เท่านั้น นี่ละพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านปราบกิเลสตัวกีดกันตัวปกคุมพุ่มหอ่อให้อยู่ในขอบเขตให้อยู่ในข้อบังคับให้อยู่ในเรือนจําออกได้โดยจริงเชิงแล้วทําลายหมดตลอดอตลอดเรือนจําสถานที่หรือสิ่งคุมขังสิ่งที่เป็นอำนาจบีบบังคับทั้งหลายไม่มีเหลือ เรือนจำก็ทำลายผู้ควบคุมในเรือนจำก็ทำลายทำลายหมดมนี่ท่านกล่าวไว้ในนี้เป็นพุทธบาาสิทธิ์ือพระพุทธเจ้าทรงอุทานช่เองว่าอเนกชาติสร้างส่าหลังสั้นทาวิสร้าง อ, อนิพิสร่ง า, า, างกาลังกะเวสั้นโต ดุค้าชาติปุณปุณังนาคาลักดิตโทสิปุณะเกฮังนากาหาสัสิสัเบเตภาสุกาภะกานาหะกูตังวิสังขตังวิสังขารกกตังกิตตังตันห้านังขยมัตชากานี่เป็นพระพุทธภาษิตที่ทรงพูดเย้ย ได า, าจะพูดแบบโลกๆพูดเดย้ยพูดถากเจ้าพิเรนต์นหาอวิชาโดยใจความย่ยอๆกว่าเมื่องานความรู้แจ้งเห็นจริงที่ทันสมัยในการปราบค่าศึกจัตรูของเรายังไม่เกิดยังไม่มีเราจำต้องเจาะแสวงหาและท่องเที่ยวไปในสังสารจักรสังสารวัตนี้ หาประมาณไม่ได้ที่เรียกว่าอเนกชาญไม่ใช่เพียงชาติหนึ่งชาติเดียวเท่านั้นจนนับประมาณไม่ได้เรกวกบส่องแสงหานายช่างเรือนคือเจ้าตันหาคือเป็นไปตามนายช่างเรือนคือตันหาหนอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดและตายแต่แล้วเกิด ซึ่งเป็นเรื่องหาควองทุกข์ทั้งหมวลอันวัดลุคฆ่าชาติปุรนับปุรนังการเกิดแต่ละครั้งละครั้งนั้นเป็นเรื่องของกองทุกข์ทั้งมวลบุรนับภูนังบ่อยๆ บ, บ่อยๆนั่นแหละคือการเกิดเกิดบ่อยเท่าไรก็ทุกข์บ่อยเท่านั้นในขณะเกิดก็เป็นทุกข์เป็นตัวผลคือตัวเกิดขึ้นมาแล้วจนกระทั่งถึงวันตายก็เป็นทุกข์มานำปิทุกข์ขังนสุดท้ายเป็นทุกข์ บันนี้เราได้ดูก่อนนายช่างคือตัณหาผู้สร้างบ้านสร้างเรือนให้เราตัณหาปุณหงบันนี้เราได้เห็นตัวเจ้าเสียแล้วเราไม่สามารถที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนคือภพชาติให้เราต่อไปอีกได้แล้วซีบโครงอันเป็นเรือนยอดของท่านนั้นเราได้อั น, อนเป็น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 ความสิ้นไปแห่งตัณหาได้แก่พนิภานมีเป็นพุทธภาสิตที่ท่านแสดงไว้ก่อนอื่นพระองค์ไม่ได้ประกาศทําบทนี้ขึ้นมาพอไปเจอเข้าดังจังจงเท่านั้นและทําลายกิเลสเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจึงได อุทานขึ้นมาหรือแสดงเป็นการย่ะเย้ยกันตามหลักสักสมมุตินิยมแต่ในหลักธรรมชาติของพระพุทธเจ้าหรือของจิตตรงนั้นแท้แท้แล้วท่านก็จะไปว่าอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสภาวธรรมหรือเป็นสภาพหนึ่งเท่านั้นการแก้ก็แก้ด้วยสภ า, สภาวะธรรมอันเป็นฝ่ายแก้นี้ ต, ต่างหากเท่านั้น เมื่อหมดชิ้นอันนี้ไปแล้วก็หมดปัญหาไปนี่ท่านกล่าวให้เป็นปุกะลาธิฐานเทียบกับธรรมาธิฐานเพื่อจะได้เป็นน้ำหนักแก่ผู้พิสปฏิบัติธรรมให้ได้มีความสะดุดใจในเรื่องค่าสุดว่าเป็นค่าสุดจริงๆงสิ่งที่เป็นคุณก็เป็นคุณจริงๆมีความหนักแน่นให้มีความ ด, ดุดดื่ม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 เพื่อแหวกไหว้ตะเกียรตะการตนออกเพื่อก้าวเข้าสู่มหาขุณได้แก่ตันหาา้านังคยมัชกาคือความจิ้นไปแห่งความอยากทั้งมวล น, นับแต่ส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดสุดเรียกว่าตันหาทั้งนั้นหมดต้องเป็นไปได้กำลังใจเป็นสาคัญลงกำลังใจได้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 มันเป็นเชื้อแห่งความอุตสาห์พยายามต่อไปนี้เป็นความลําบากด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าพระพุทธเจา้าไม่ว่าสาวกแต่ความพยายามความตะเกียประการนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงานสามารถจะยังเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยกันเจึงเป็นสิ่งที่ควรสนใจไปใส่ใจเป็นสิ่งที่ควรหนักแน่นในธรรมเหล่านี้อย่าปล่อยให้กิเลส หรืออย่าปล่อยช่องว่างให้กิเลสเข้ามาช่วยเอาทาทั้งหลายไปกินเสียแล้วเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรสัตว์โลกมีด้วยกันทั้งนั้นทุกท่านที่มาอบรมศึกษา้องนิมนต์อบรมศึกษาให้ถึงใอยาสักแต่ว่ามา เ, เฉย มาเกิดประโยชน์อันใดมาเพื่อศึกษาทางหูทางตาทางไหนสัมผัสสัมพันทันเข้ามาสู่ใจให้ใช้สติปัญญาพินิพิจนาเพื่อเลือกเป็นสิ่งที่ผิดที่ถูกและยึดไว้ในสิ่งที่เป็นสาระอันใดไม่ดีให้รีบกาจัดตัดเปล่าออกไปอย่าได้อยู่ด้วยความประมาท น, นใจสิงเหล่านี้เราเคยอยู่แล้ว และเคยเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามานานต่อมากแล้วแต่เราไม่เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเราไม่มีทางจะออกจากกองทุกข์มหันต์ทุกข์ทั้งหลายนี้ได้ตลอดไปไมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องจะฉุดลากเราให้ออกไปได้เองต้องพยายามในธรรมทั้งหลายวิริยะธรรมเป็นสาคัญหลักยญยก็คือสติธรรมปัญญาธรรม วิริยะธรรมเป็นเพ่องหนุนให้สติธรรมปัญญาธรรมทาหน้าที่สืบเนื่องกันไปและขยายตัวให้เป็นวงกว้างและละเอียดแหลมคมเข้าไปเป็นลำดับวิเดียมีอยู่มากน้อยจะมีอยู่ที่หัวใจนี้เท่านั้นไม่มีอยู่ที่ไหนสติปัญญาผิดขึ้นที่หัวใจความเิียนหนุนที่ใจจะไม่พ้นจากความทางทลายแห่งวิเดีทั้งหลายไปได้ไปได้ด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เลย ธรนี้เป็นธรรม ส, สดร้อ น, อนเหมาะสมกับการปราบที่เด็ดหยู่ตลอดเวลาขอให้นำเข้ามาขอให้ส่งเสริมให้ขึินขึ้นให้มีกำลังกล้าอย่าได้นอนอกนอนจัดเราต้องถือเอาชาติปั จ, จุบันของเรานีเป็นหลักประกันแห่งความทุกข์ทั้งหนายตลอดถึงชาติความเกิดเชืราความเสียพยาธิความตาย ทั้งอดีตที่เป็นมาแล้วและอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าจะไม่นอกเหนือจากจิต ด, ดวงที่ฝังยาพิษคือเชื้อแห่งความเกิดไว้พายในตัวเองนี่เลยจะพาให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆรูปรุ่นดอนๆสูงสูงต่ำๆเพราะอำนาจแห่งวิบากกรรมดีชั่วที่กิเลสทาให้ทำนี่เป็นหลักความจริงให้หนักแน่นลงที่ตรงนี้อย่าไปรูปุ่นคำเดือนปีนาทีโมงสถานที่นั่นสถานที่นี้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 เคยเกิดหรือไม่เคยเกิดเคยตายหรือไม่เคยตายแล้วชาติหน้ามีหรือไม่มีทำไมจะหลงกลของมันอีกทำประกาศกลงวานอยู่ทุกระยะเวลาแต่เพราะอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ก็รประกาศมาได้ 2,500 ปีลูกข้าชาติปุนั์ปูนังา ก, กี้นี้ได้ยกพุทธภาสุที่พระพุทธเจ้า ปรัทานใจเองหรือทรงอุทานเองเป็นความจริงแค่ไหนลงศาสนาได้อุทานขึ้นมาใจเองเรายังจะเห็นกิเลสข้างไหนวิเศษยิย่งกว่าพระพุทธเจ้าอยู่เหลยเราจึงไปเชื่อมันว่าตายแล้ว เ, เกิดหรือไม่เกิดทุกข์หรือไม่ทุกข์ตายแล้วสูญหรือไม่สูญหรือจะได้เกิดอีกแบกบทุกข์มาเพราะกิเลสพาให้เกิดให้ตายเท่าไหรแล้วเรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรือ ทำประกาศกลางวานอยู่ตลอดมาตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้เฉพาะ อ, องค์ปัจจุบันนี้ดุกั้งุาชาติปุณะปูนังนั่นตะกี้นี้ก็ยกขึ้นแล้วตั้งแต่อเนกาชาติสังสารังในช่างเรือนคือตัณหาได้แก่อะไรถ้าไม่จะได้ไม่ได้ไม่ได้จะพวกอวิชชาตัณหาอุปทานแบนี้จะได้ละมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่ที่ใจมันสูญไปไหน ทำไมพบชาติจะสูญเมื่อกิเลสนี้ยังไม่สูญพบชาติจะเอาสูญมาจากไหนก็กิเลสเป็นผู้ผิดพบผิดชาติขึ้นแท้ๆไม่เห็นอย่างปัจจุบันทันตาอยู่เวลานี้ตัวของเรานี่ตัวพบตัวชาติหรือตัวอะไรเห็นอยู่อวลานี้ใครเป็นผู้ผิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่กิเลสตัวนี้ตัวที่พระพุทธเจ้าประกาศตรางวานันให้เราทั้งหลายได้ทราบตัวมหาภัยอยู่ตลอดมาตั้งแต่อเนกชาที่สางสารางจนกรทั่ง ถึงยึสร้างห้าละกตังกิตตังตันห้านางพยียมัจชก า, าแน่หรือไม่แน่พระพุทธเจ้าเราจะกราบให้ถ้าไม่กราบพระพุทธเจ้าพระองค์เอกที่ทรงอุทานออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงของพระองค์นี้เราจะกราบใครหรือจะกราบพิเรตตัวตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดยินนะาทุกข์หรือไม่ทุกข์หนาเหมนเดิก็มันอยู่บนหัวใจเราพิเรตตัวนี้อยู่ที่หัวใจเราลาเราไปเกิดที่นั่นลาเราไปเกิดที่นี่ แล้วยังสงสัยอะไรอีกผลก็เห็นกันอยู่นี่เป็นรูปเป็นกายอยู่นี่อยู่หลานี่ความทุกข์ความนมาําหมักแม้ภายในจิตใจมันก็ผิดทุกข์ขึ้นมาให้เราเห็นอยู่เป็นประจำเรายังไม่ทราบอยู่เลยว่าที่เลีดพาให้เราเป็นทุกข์งั้นเรายังไม่ยอมเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าจนเหลือดูข้างชาติปุณนละดูข้าชาติปุณละปุณนละนะชาลธรรมที่สําคัญมากก็คืออเนกชายสร้างสร่างเนี่ยที่พระพุทธเจ้า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 ทิมสอนมาด้วยเราเห็นแล้วพูดชัดชัดว่าอย่างนี้แล้วก็ท่านก็บอกว่าอะไรนักอะไรที่ว่านากาฮาสิทีดีปุนะเะหังนากาฮาสิต่อไปนี้เจ้าจะไม่สร้างบ้านสร้างเรือนคือครบคือชาติให้เราได้อีกแล้วนั่นท่านประกาศขนะนั้น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 ความสุขความสบายเพราะมันนั่นน่ะพิจารณาทำไมจึงเชื่อเอาซะักหนาเชื่อเอาแบบไม่ดืมหูดืมตาแล้วยังจะเชื่อมันอีกแบบไม่ดืมหูดืมตาตลอดไปเหรอพุทธทางธรรมสัสนิงฌามีประกาศกัางวันอยู่ท ำ, ทำไมไม่น้อมทิสสะลงไปลองฝ่าพระบาทท่าน เพื่อจ ะ, ะกรรจัดปัดไทยทั้งหลายที่ติดตามเราแนบสนิทแนบสนิทมานี่ให้มันกระจายตัวออกไป <c oughs> นี่การแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังตามหลักความจริงสี่งมีที่มีอยู่ในหัวใจของเราทุกๆุกรายทุกๆุกองตลอดจัดโรคทั่วไปมีกิเลสตัวนี้นะตัวสำคัญมากตัว โกหกมายาแสนกลยูตรงนี้หมดละเอียดแถมคมมากจึงต้องใช้สติปัญญาพิณิพจน์จนกระทั่งถึงได้เห็นตัวของมันดังที่พระพุทธเจ้าทรงเยยหยันทรงพูดเยยทรงพูดถาพูดถังได้เห็นหน้าเธอแล้วมิหน่ำช้ำยังทำลายอีกแยกไปเห็นที่ไหนหน้าชี้เลือดอยู่ที่ไหนก็ยู่ที่ใจ ทำลายที่ใจแล้วความสิ้นพบสิ้นชาติก็สิ้นที่ใจสิ้นก็คือสิ้นทุกนันเนี่ยสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสก็สิ้นกิเลสภายนใจนั่นเองเมื่อสิ้นกิเลสแล้วก็สิ้นชื่อที่จะพาให้เกิดต่อไปอีกตัญหาหนัคธรรมชาติถึงแล้วจุนแดนอย่างพณิพานแต่เอาความเะยอย่างนั้น แล้วทำเหล่านี้มีอยู่แต่ข้างพุทธการนั่นหรอือกิเลสประเภทนี้มองเห็นหน้ามันนั้นมีแต่บพรรดิเจ้าเห็นหน้ามันทั้นั้นหรอือมันมีหน้ามีตาตั้งแต่ข้างพาระเจ้าหรือขั้งเรานี้กิเลสไม่มีหน้าเลยกิเลสไม่เคยสร้างความทุกข์ให้ให้เราเหรอเราถึงไม่เห็นโทษของมันธรรมะก็ศักสิทธิพิเศษตั้งแต่อยู่กับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายหรอมาถึงพวกเราแล้วมันเป็นธรรมเมาไปหมดแล้วเหรอืออย่างที่หลวงปูป่ใหญ่พูดว่า เอามาใชา่เนี่เราเข้าสู่สงครามก็คือต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราด้วยวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมขันติธรรมนี่เป็นสำคัญหมุนต่อลงไปทุกขนาดไหนก็ทุกเถอะเคยทุกมาแล้วเพราะกิเลสย่ำยีตีแหละแม้แต่ความทุกข์ที่เราประกอบความเพียรนี้ก็เพราะการแก้กิเลสนั่นเองทาแท้ไม่ได้ให้ทุกแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลย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 มันถูกตั้งที่ไห น, นที่เลียดพยากรณ์นี่แต่ทำพายากรก็ย้อนลงไปหาเกลียดถึงสิย้อนก็ไปหากิเลียดถึงสิการทุกข์ยากลําบากอยู่ทุกวันนี้เพราะการประกอบความภาคเพียรก็คือเพื่อแก้เกลียดนั่นเองไม่ใช่เพื่อแก้ธรรมนี่นะธรรมถ้าไม่ได้เป็นนักโทษนยคิดเราเป็นนักโทษเพราะเกลียดบีบบังคับตั้งหา่า ทำไม่นำมาบีบบังคับไม่ว่าทําประเภทใดไม่เคยบิดบังคับหวัวใจของโลกทำจึงเป็นสิบิบุคคลมาแต่ไหนแต่ไรทำจึงเป็นคําเป็นเครื่องค้าจุนโลกมาแา่ไหนให้ความทุกขความเจริญจากโลกมาแต่การหไหนไม่ได้เหมือนกิเลสกิเลสต่างหากเป็นผู้ให้ทุกข์ให้ร้อนให้ความเป็นศูนเต็มใสทรมานจิตใจของสัตว์โลกด้วยมาไม่พบน้อยพบใหญ่มีแต่กิเลสพาให้เป็นดังนั้นทีนี้เราจะแก้กิเลสออกจากใจของเรา การแก้ยากแก ง, ง่ายขนาดไหนก็เป็นเรื่องการต่อสู้กิเลสแก้กิเลสเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของทำพาให้เราทุกข์นี่พิจารณาสิถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงเช่นนี้ถูกต้องตามความจริงเช่นนี้เราก็ไม่หนักอกหนักใจในการประกอบความภาคเพียรสำคัญที่โยนความทุกข์ไปให้ทำนี่พอจะแก้กิเลสแล้วโยนความทุกข์ไปให้ทำต้ำหนิติโทษทำเถีเ่ยให้กิเลสได้ใจ ให้กิเลสเอาเป็นเครื่องมือเสียหมดมันก็กล้าเข้าสู่ความเขียงไม่ได้พอยแต่จะล้มจะตายเพราะกิเลสกล่อมกิเลสหลอกไม่วามไม่เคยเห็นความทุกข์ความลําบากเพราะกิเลสเป็นต้นเหตุนี่เลยให้กลายเป็นว่าทําเป็นต้นเหตุให้รับความทุกข์ความลําบากาเสียรู้ไหมว่าพวกเรานี่หลงกลกันมาเท่าไหร่แม้จะเข้าสู่สงครามเข้าสู่ทางจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแล้วยังให้กิเลสกลอมได้ี่ ให้ไปตำหนิตีเตียนทำนู่นไม่ให้ตำหนิที่เตียนกิเลสเลยแล้วกิเลส จ, จะถลอกได้ยังไงเมื่อไม่ย้อนสติปัญญาอันเป็นหลักธรรมเข้าไปสู่หัวกิเลสไอหัวกิเลสลงมันยากที่ไหนทําท่านไม่ได้พายากตัวกิเลสนี่ต่างหากพายากที่ฟัดหัวมันลงให้มันแหลกเนี่ยยังนั่นถู ก, ถกเรื่องของนักปฏิบัติโดยอักโดยทำถูกต้องตามความเป็นจริงเอาไม่กิเลสมันหมดไปที่ใน ห, หัวใจเป็นยังไงใจหลวงนี้น่ะ ทั้งตก่อนคยถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาหาความสว่าสังสาอะไรไม่ได้เลยยังไม่เห็นโทษของมัน <c oughs> เอาให้มันเห็นโทษของมมันให้แก้มันได้ฆ่ามันให้แหลกดังพระพุทธเจ้าองค์เกิพระอุทานขึ้นมาหรือว่าพุทธภาษิตในปฐมมกานก็ทูให้เห็นดำเห็นแดงกันอย่างนั้นเถ ทำนี้เพื่อความเห็นจริงเพื่อความเห็นดาเห็นแดงกันเข้าสู่ความจริงล้วนๆวิริยะเป็นยังไงให้เห็นกันให้รู้กันที่มันอยู่ในหัวใจเราแท้ๆทำก็อยู่ในหัวใจเราแต้แค่สอนอยู่ที่ใจกังวลอยู่ที่ใจนํามาแก้กันด้กยตราพันแฉจะเป็นอะไรไปนะับปฏิบัติเราเสียดายอะไรทุกวันนี้ความเสียดายแต่นั้นเป็นเรื่องของเสียดายวิริยะทั้งหมดนั่นเรายังจะกล้าเสียดายยังจะดื้อด้านเสียดายอยู่หรือ เรามาปฏิบัติทำเอาเป็นยริงจั ง, จงเหมือนถึงกันหนาที่ว่ากิเลต์บรรลัยหมดแล้วความรู้นั้นไม่ต้องบอกที่นี่มีขอบมีเฉื่อสิ่งไม่เคยรู้รู้ไปหมดเห็นไปหมดนอกจากพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองแล้วสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากข้าจะนํามาพูดนะวะอ๋อเท่าที่จิตมันไม่สะดวกอะไรรู้อะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เห็นอะไรไม่เต็มมตๆหน่อยก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งโม ว, วลครอบหัวไว้นี่ยังรู้อะไรก็รู้ตามภาษีภาษาอยู่ในอำนาจของกิเลสพอกิเลสมันทังไปหมดแล้วความรู้นี่เป็นยังไงนั่นเออมีกิเลสเท่านั้นปิดหัวใจคือความรู้อนี้อาไว้ไม่มีอะไรในสามแดนโลกธาตุนี่ปิดความรู้นี้ไม่ให้แสดงตัวเต็มที่เ็นภูมิจันฐานมีกิเลสเท่า น, านั้นมันก็รู้ชัดๆเลยเพราะมันไม่มีอะไรเวลามัน วิเลมันหมดไปจากใจจริงมีอะไรเป็นขอบเป็นเขตมีอะไรเป็นที่ติดที่คล้องที่ตีบที่ตันไม่ไมีนั่นจริงจังปฏิบัติมาศึกษาอรมก็ฟังให้ถึงใจเพือ ป, ปฏิบัติยิงใหาจังจิตธรรมะสดสดร้อนร้อนอยู่กลางวานอยู่ในหัใจเราทุกคนทุกขังในยาสจังประกาศให้เห็นทันทีนี้มีอดีตอนาคตที่ไหนปรากฏอยู่ในปัจจุบันเรานี้ทุกขณะ สมุทรไทยอาเรียส จ, จังที่เรศมันมีที่หลักที่นอนเมื่อไหร่มันมีหมอนมีมุ้งที่ไหนมันทํางานอยู่บนหัวใจของเราตลอดเวลาทําไมมัดจะฆ่าที่เรศทิ้งคนนี้ต้จะเสื่อแต่หมอนมัดเต็มตัวดับทุกข์ก็มีเรื่องดั ง, ดงครอก ค, อคอดับทุกข์นั้นหรือว่าพระพุทธเจ้าพาดับทุกข์ดับบนเสื่อบนหมอนที่มัดติดตัว แล้วหลับไม่ตื่นดังครอบครอกนั่นหรื อ, อนิโรดความดับทุกข์นั่นมันคือนิโรดของคนตายน่นถ้าหมดลมหายใจแล้วมันก็ตายตอะนั้นเน่มันดังครอกครอกเอละพ่อพูดสนุกเหนื่อยพูดไปเรื่อยว่า